วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมการอีกครั้งหนึ่งมาปฏิบัติธรรมการอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ทำให้ท่านมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องก็เพราะความยินดีในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่า การยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะว่าเมื่อเรามีความยินดีในธรรมสิ่งที่เราได้รับเราจะได้รับก็คือธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง รถแห่งธรรมนี้ชนะรถของราบยศสรรเสริญชนะรถของรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระผู้ใดถ้าได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะไม่ต้องการราบยศสรรเสริญจะไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะคุณค่าของ ของสิ่งเหล่านี้ต่างกับคุณค่าของรถแห่งธรรมเหมือนกับฟ้ากับดินการที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเราก็ต้องมีความยินดีในธรรมถ้าเราไปยินดีในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ p p ่นรสโพธิภะเราก็จะไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะกัน แต่ถ้าเรายินดีในธรรมเราก็จะได้มาหาธรรมกันธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามีความยินดีกันเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งให้มีความยินดีกับความมักน้อย สองให้มีความยินดีกับความสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีตามนีตามเกิดสามให้ยินดีกับการปลีกวิเวกคือยินดีกับสถานที่ที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะผะสี่ ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันไม่สมาคมกันให้อยู่กันตามลําพังห้าให้มีความยินดีกับความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในการที่จะสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาหกให้มีความยินดีกับศี 7. ให้มีความยินดีกับสมาธิ 8. ให้มีความยินดีกับปัญญา 9. ให้มีความยินดีกับวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์และ10ให้มีความยินดีกับวิมุตติญาณทัศนนะคือความรู้ที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่า ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายินดีกันเพราถ้าเรายินดีกับธรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรมรมรสของวิมุตติรสของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือธรรมที่เราควรที่จะขนวายควรที่จะหามาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ข้อที่หนึ่งความมากน้อยความมากน้อยก็คือ ไม่ไม่มากมากนั่นเองต้องการเท่าที่จําเป็นปัจจัยสี่ต้องการปัจจัยสี่เท่านั้นสำหรับการดำรงชีพนอกเหนือจากนั้นเราไม่ต้องการรถยนต์ข้าวของอะไรต่างๆที่มีกันอยู่มากมายนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการหลุดพ้นจากความทุกข์เลย มีแต่จะทําให้เพิ่มกองทุกข์ให้เป็นกองใหญ่ขึ้นไปเราต้องมักน้อยเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เทีย่ยงมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปถ้าเราไป <c oughs> มีมากๆเราก็จะทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องจากมันในเวลาที่มันจากเรา เราจึงต้องมีเท่าที่จำเป็นเช่นพระนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ฉันมือเดียวนักน้อยให้ฉันมือเดียวให้ฉันในบาตรไม่ต้องวุ่นวายกับถ้วยชามอะไรต่างๆมีบาตรใบเดียวฉันเสร็จล้างบาตรใบเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จถ้ามีถ้วยมีชามมีช้อนมีอะไร ก็ต้องใช้เวลาล้างถ้วยล้างชามกันอีกเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าจีวรก็ให้มีหนึ่งสำรับก็พอมีผ้าไตาหนึ่งชุดมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนมีสามผืนนี้ก็อยู่ได้แล้ว ที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ไปตามโคนไม้ตามถาม้ำตามเงื้อผ้าตามเรือนน้ำไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องมาก่อมาสร้างกันเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่านี่คือตัวอย่างของความมักน้อยผานีมีสมบัติเพียงแปดชิ้นเท่านั้นเอง ไว้มีสำหรับการดำรงชีพปัจจัยสี่ของพระมีบาทหนึ่งใบผ้าไตาหนึ่งชุดผ้าสามผืนเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีโกนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่มเข็นกับได้หนึ่งชุดไว้สำหรับปะ จีวเวลามันขาดแล้วก็ที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำขึ้นมาน้ำจากจากลำธารจากลำห้วยที่มีตัวสัตว์ก็ต้องใช้ที่กรองตักเพื่อจะได้ไม่ได้เอาตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะของความมากน้อยของผู้ที่มุ่งสู่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีน้อยๆมีเท่าที่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นอย่ามีไม่ต้องเก็บเอาไว้เกะกะลกลุงลังเป็นภาระไปเปล่าๆ น, นี่คือลักษณะของความมักน้อยคือให้มีสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ มีเท่าที่จำเป็นไม่มีมากกว่าสิ่งที่จำเป็นอันนี้ข้อที่หนึ่งจะทำให้ตัวเบาใจเบาไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วง่ายได้ผู้บำเพ็ญ น, นี้ต้องไปเปรกวิเวกต้องเปลี่ยนสถานที่ไปถ้ามีข้าวของโรคลุงลังพลุงพลังจะไปไหนก็ไปยาก แต่ถ้ามีแค่สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่กี่ชิ้นกี่อันนี่ไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็วข้อ mm hmm. ที่สองให้มีความสันโดษ mm hmm. คือให้ยินดีตามมีตามเกิด mm hmm. เช่นพระไปบิณฑบาต mm hmm. ก็ให้ยินดีกับอาหารที่ได้รับมา mm hmm. ไม่ให้จุ้จี่จุกจิก ไม่ให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากยากอยู่อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้ก็ขอยากอยู่อย่างนี้ไม่สันโดษสันโดษไม่ขอแล้วแต่จะให้ให้อะไรมาก็รับยินดีกับสิ่งที่ได้รับมาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ไม่เรียกร้องไม่ขอทาน พระนี่ไม่ใช่ขอทานพระไปโปรดสัตว์พระไปบินธบารโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้มีโอกาสได้ทําบุญส่วนพระนั้นจะได้อะไรมาก็ยินดีเสมอยินดีให้มีสันโดษในปัจจัยสี่ถ้ามีไม่พอก็ไม่บ่นใช่อาหารบินธบาลถ้าได้มาน้อยไป ว่าความต้องการก็ยินดีพอใจไปตามมีตามเกิดอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าไปจู้จี้จุกจิกมันจะเกิดกิเลสตัณหามันเป็นกิเลสตัณหาเราจะทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายินดี ตามมีตามเกิดใจจะไม่ทุกข์ใจจะสงบใจจะเย็นจะสบายร่างกายอาจจะขาดแข็งปัจจัยสี่แต่ใจไม่ขาดแข็งใจไม่ทุกข์กับการขาดแข็งใจพอใจสบายยินดีตามมีตามเกิดจะทําให้ใจมีความพอจะระ ง, งับดับ กิเลสตัหาความอยากต่างๆได้นี่คือเรื่องของสังโดอยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปเรียกร้องขอนน่นขอนี่จากคนนั้นคนนี้ถ้าเขาอยากจะให้ก็ปล่อยให้เขาให้ถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าไปขออะไรจากใครหาเองตามมีตามเกิด หาได้เท่าไหร่ก็ให้พอใจกับสิ่งที่ตนเองหามาได้ <c oughs> แล้วจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจนะการบาเพ็ญการปฏิบัติของนักบวชของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะดับความทุกข์ต่างๆนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องคอยสังเกตว่าการกระทำของตนในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนี้เป็นการสร้างความทุกข์หรือเป็นการระ ง, งับดับความทุกข์ ถ้าสร้างความทุกข์ก็ควรจะหยุดถ้าไม่พอใจกับสิ่งที่ได้มานี้ก็เป็นความทุกข์แล้วควรจะหยุดความไม่พอใจอันนี้ควรจะพอใจกับสิ่งที่ได้รับยินดีกับสิ่งที่ได้รับมานี่คือข้อที่สองของธรรมที่เราควรจะยินดีข้อที่สาม ให้เรายินดีกับการปลีกวิเวกการไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะที่จะมายื่อวโยวนกวนใจที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าลองได้เสพแล้วมันจะติด ติดแล้วมันก็จะทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้เศษพอทุก์ก็ต้องไปหามาเศษถึงจะหายทุกพอหายทุกแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากที่จะเศษใหม่ก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาก็จะต้องคอยเศษรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่เรื่อยใจก็จะไม่มีวันสงบใจก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกได้ ผู้ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างใจจากเหตุการณ์ต่างๆจากบุคคลต่างๆให้อยู่ตามลำพัง mm hmm. เพื่อจะได้เจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ต้องยินดีกับการปรีกวิเวกยินดีกับการอยู่คนเดียวแล้วถ้าไปอยู่ในที่ปีกวิเวกแต่มีผู้อื่นผู้ปฏิบัติธรรมไปอยู่กันหลายหลายคนก็ต้องไม่คลุกคลีกันทำข้อต่อมาให้ยินดีกับการปรีกวิเวกแล้วก็ให้ยินดีกับการไม่คลุกคลีกันไม่สังคมกัน ให้ทำเป็นเหมือนกับไม่รู้จักกันไม่สนใจกันต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติกันยกเว้นกรณีฉุกเฉินถ้ามีภยัยมีอันตรายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็มาดูแลกันมาช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าเป็นทุกอย่างเป็นปกติก็อย่าเข้ามาจับกลุ่มคุยกันอย่าเข้ามาจับกลุ่มทากิจกรรม อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่านมาจากกลุ่มก็จะเพาะเวลามาฟังเทศฟังธรรมจากกูบาอาจารย์แต่ไม่มาสนทนากันมานั่งฟังเทศฟังธรรมพอฟังธรรมเสร็จก็กลับไปที่ปฏิบัติของของตนหรือมีกิจกรรมที่จะต้องเป็นจะต้องทาร่วมกันเช่นการมาขบชันอาหาร หรือมาทำกิจวัตรปัดกวาดลานวัดปัดกวาดทางเลินปัดกวาดกุฏิทำความสะอาดอะไรต่างๆก็ให้ทำด้วยการมีสติด้วยการไม่พูดจาไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตนไปกวาดไปทูไปให้มีสติอยู่กับการกวาดกวารถู อย่าคุยกันอย่าสนทนากันอันนี้เรียกว่าไม่คุกคีกันถึงแม้จะต้องมารวมกันเพื่อมาทำกิจวัตรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำพร้อมกันเช่นการขบฉันการบินทบาตการทำความสะอาดต่างๆอันนี้หรือการมาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ก็มาด้วยกายวาจาใจที่สงบไม่พูดไม่คุยกันการเดินการทำอะไรก็ทำอย่างเงียบไม่มีไม่ส่งเสียงดังเพื่อไม่ไปรบกวนกันใจก็ตั้งมั่นอยู่ในการฟังเทศฟังธรรมหรือตั้งมั่นอยู่กับกิจกรรมข้อวัดที่กาลังทาอยู่ ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องมารวมกันก็แยกกันอยู่ไม่คลุกเครีกันไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วเหงาก็เลยวะไปคุยกันแก้เหงาอันนี้ห้ามไม่ทำพูดที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องใช้ธรรมะสู้กับความเหงาต้องแก้ความเหงาด้วยการทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิ ถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่านั่งสมาธิจิตก็จะสงบพอสงบแล้วความเหงาความว่าเหว่ก็จะหายไปถ้าไปคุยกันก็หายไปชั่วคราวเวลาได้คุยกันความเหงาความว่าเหว่ก็หายไปแต่พอกลับมาที่ปฏิบัติที่พักของตนก็เหงาอีกดังนั้นการไปคุกคีกั น, นการไปคุยกัน ไม่ได้เป็นวิธีแก้ความเหงาวิธีแก้ความเหงาก็ต้องเจเริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะหายเหงาจะมีความยินดีกับการอยู่ตามลําพังพออยู่ตามลําพังน้องไม่วุ่นวาย บางทีไปคุกคีกันไปคุยกันก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาก็ได้คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวมีความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาก็ได้เกิดความไม่พอใจต่อกันละกันขึ้นมาทําให้เกิดความโกรธเกิดนิวรทําให้ไปนั่งสมาธิ ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบนี่ก็เป็นผลผลส่วนหนึ่งที่เกิดจากการคลุกคลีกันแล้วการครุกคลีกันก็ไมไ่ทำให้การปฏิบัติคืบหน้าแต่อย่างใดเพราะไม่ได้ปฏิบัติเวลาคุยกันใจก็ลอยใจก็ฟุง้งนี่โทษของการคลุกคลีกันการจึงสอนให้ยินดีกับการไม่คุกคลีกันไม่สังคมกัน ให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันตามลําพังเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อที่จะนั่งสมาธิทาใจให้สงบเพื่อที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะการคุยกันนี้เดี๋ยวก็อาจจะเผลอโกหกกันก็ได้พูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวอาจจะอยากจะอวดเก่งอวดฉลาดนะก็อาจจะ พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ก็ทำให้ศีลไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ถ้าอยู่คนเดียวนี้ศีลก็จะบริสุทธิ์เพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรกับใครนอกจากให้เรามีความยินดีกับการปิดวิเวกแล้วก็ให้ยินดีกับการไม่ครุกคลีกัน ล้วต่อจากนั้นกใกล้มีความยีกับการทำความเพียรให้ขยันปฏิบัติกันให้ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันจเจริญสติจเจริญสมาธิกันจเจริญปัญญากันถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุน ต้องเพียงเจริญสติเพียงเจริญสมาธิเพียงเจริญปัญญาวิมุตติถึงจะเกิดขึ้นมาได้วิมุตติญาณทัศนะถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ปรากฏได้ด้วยการเจริญความเพียงด้วยการทำความเพียงเพียนอะไรเพียงรักษาศีให้บริสุทธิ์เพียงเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิ เพียงพิจารณาทำอยู่นึงเืองเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะได้วิมุติตามมาดังนั้นต้องมีความเพียงในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาให้มีความยินดีกับความเพียงยินดีกับศีลรักษาศีลให้บ่อยสุด ยินดีกับสมาธินั่งสมาธิให้มากๆเดินจงกรมให้มากๆาเจริญสติให้มากๆและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ <c oughs> แล้วก็ให้จเจริญให้ยินดีกับการจเจริญปัญญาพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุะพะตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเวลาดับก็ทุกถ้ามีตัณหาความอยากให้ไม่ไม่ดับต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันต้องดับและพร้อมที่จะให้มันดับเพราะฝืนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ห้ามสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วไม่ดับไม่ได้ถ้าห้ามหรืออยากให้มันดับก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่ห้ามไม่อยากให้มันไม่ดับมันก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้มันดับเพราะมันมันจะต้องดับห้ามมันไม่ได้ถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางราบยศสรรเสริญ ปล่อยวางรูปเสียงกลิก่นรสโกรธท่าพะปล่อยวางเสิ่งต่างๆที่เรากําลังยึดกําลังติดอยู่ได้เพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันต้องดับมันไม่ใช่ของเรามันต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้าไปอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดก็จะต้องทุกข์จะต้อง เศ้าสศกเสียใจก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะไม่ได้วิมุตตินี่คือเราต้องยินดีในสีนเพราะถ้าเรายินดีในสีนสีก็จะเป็นผู้สนับสนุนหรืออบรมให้เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อเรายินดีในสีนแล้วเราก็ให้ยินดีในสมาธิ ด้วยการใช้สียงเป็นผู้อบรมอบรมให้เกิดสมาธิกันมาศสียงอบรมยังไงศสียงก็จะเป็นผู้ที่คอยกันไม่ให้จิตไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้เป็นการเสริมสติไม่ได้เป็นการทำให้ใจสงบนั่นเองสีล น, นี้จะห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกัน ไม่ให้ไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันแล้วไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนเกินละสี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนกับพื้นปูเสือ่อปูผ้า นอนแล้วจะนอนไม่นานเพราะมันไม่สบายถ้านอนบนฟูกหนาเตียงใหญ่ๆห่มันสบายเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่อทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปจึงจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นผู้ที่จะอบนมหรือสนับสนุนการจเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมา ศีลที่เป็นผู้อบรมสมาธิก็คือศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้มีกำลังไม่พอที่จะอบรมจิตให้สงบให้ได้สมาธิก็อยากจะได้สมาธิต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองร้อยยิบเจ็ดก็ได้ศีลสามร้อยกว่าก็ได้แต่อย่าถือศีลห้า ศีลห้ามไม่มีกำลังที่จะห้ามใจไม่ให้ไปทำกิจกรรมอย่างองื่นถือศีลห้ายังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ถือศีลห้ายังกินข้าวเย็นได้ถือศีลห้ายังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปเที่ยวกลางคืนได้ไปดูหนังฟังเพลงได้นอนบนพูกหนาๆนอนบนเตียงใหญ่ๆได้ นอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้ศีลห้าจึงไม่ใช่เป็นศีลที่จะเป็นผู้อบรมสมาธิศีลที่จะอบรมสมาธิให้สมาธิเป็นสมาธิที่มีพลังมีอนุภาพต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปวเวลาที่ไปปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดกัน เพื่อที่จะได้มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธินั่นเองถ้ามีศีลแปะแล้วศีลแปะนี้ก็จะเป็นผู้อบรมสมาธิให้เป็นสมาธิที่มีมีอานิสงส์มีประโยชน์สมาธิที่จะได้รับจากการาการถือศีลแปดก็คืออัปปนาสมาธินี่เอง จิดรวมเป็นหนึ่งสัต์แต่ว่ารู้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเนือแต่อุเบคาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่แหละคือสมาธิที่เราควรจะยินดีกันอย่าไปยินดีกับสมาธิที่มีมิมติต่าง ๆ, ๆมีอิทธิวิติปฏิหารต่างๆเพราะสมาธิแบบนี้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะไปอบรมปัญญาจะไม่สามารถใช้สมาธิที่มีอิทธิวิธิปฏิหารนี้ไปอบรมปัญญาได้ต้องใช้อัปปนาสมาธิสมาธิที่นิ่งสงบจิตที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งสัจธรรมรู้เป็นอุเบกขาและก็มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง จะเกิดจากอัปปนาสมาธิจะไม่เกิดจากสมาธิที่มีนิมิตต่างๆที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิดังนั้นพะทธนั่งสมาธิแล้วเกิดไปรับรู้ไปเห็นนิมิตต่างๆไปมีอภิญยามีความรู้ความสามารถพิเศษเช่นมีตาทิพ์หูทิพย์ระลึกชาติได้พบ ปะกับเทวดาได้พบปะกับกายทิพย์ต่างๆได้ไปนรกไปสวรรค์ได้สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะไม่มีกำลังที่จะไปอบรมปัญญาไปสนับสนุนปัญญางั้นถ้านั่งแล้วมีสมาธิแบบนี้ต้องอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยต้องถอยออกมา ถอยกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิด้วยการใช้สติดึงใจกลับมาใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้อย่าไปรับรู้นิมิตต่างๆอย่าไปรับรู้กับความสามารถพิเศษต่างๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะเอามากำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ อุปจารสมาธินี้ไม่มีกําลังที่จะอบรมปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาต้องเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะเป็นสมาธิที่จะอบรมปัญญาให้เป็นภาวนามยปัญญาให้เป็นปัญญาที่มีอานิสงส์มีพลังมีคุณประโยชน์ต่อการกําจัดกิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจเ การที่เราจะได้อัปปนาสมาธิเราต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรยิบเจแล้วก็มันเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ให้เผลอเลยให้จิตอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธตลอดเวลาหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ส่งไปหาราบยศสำเสริญไม่ส่งไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้หนึงใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทธโธไม่ อ, อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกาย เช่นเวลาแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้ากำลังดื่มน้ำก็ให้อยู่กับการดื่มน้ำกำลังหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผ้าหวีผมเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องอื่นถ้าไปอยู่กับเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอเรียกว่าใจลอยเรียกว่าไม่มีสติ ถ้าใจลอยไม่มีสติเวลานั่งจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไม่รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้จิตต้องไม่ลอยจิตต้องอยู่กับอารมณ์ที่ใช้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกจิตต้องอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิได้ ยังจะเป็นที่จะต้องอมีเวลาจเจริญสติให้มากๆการจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปถ้ามีศีลแปดแล้วก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ก็มีกิจกรรมที่เหลือให้ทำเพิ่มอย่างเดียวก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิาธให้จิตดวงเป็นอัปปนาสมาธาิถ้าได้อัปปนาสมาธิแล้ว สมาธินี้ก็จะไปสนับสนุนการพิจารณารรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็มีสามชนิดชนิดแรกเรียกว่าสุตมะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นตอนนี้ท่านทั้งหลายกําลังได้ยินได้ฟังทำเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสุตมะยปัญญา ฟังแล้วถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้กลายเป็นภาวนามายะปัญญาถ้าฟังแล้วเอาไปดับกิเลสได้ไปหยุดความอยากต่างๆได้ก็เรียกว่าภาวนามายะปัญญาการจะทำให้เป็นภาวนามายะปัญญาได้ก็ต้องมีอัปปนาสมาธิถ้าท่านที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้มีอัปปนาสมาธิอยู่แล้ว พอได้ยินได้ฟังวิธีหยุดกิเลสหยุดตัณหาด้วยตายรักท่านก็สามารถหยุดได้ทันทีถ้าหยุดได้ทันทีก็แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนจากสุตตมยะปัญญาให้กลายเป็นภาวนามยะปัญญาไปเช่นพระอัญญาณโกนทัญญาเวลาที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงตายักให้ฟังว่า ทำใดสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายถึงร่างกายร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็จะต้องดับมันจะต้องตายไปเป็นธรรมดาเพอพระอัญญาณโกนทัญญาฟังก็เข้ามาพิจารณาร่างกายของทนทันทีก็เห็นว่าเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยาก<ม>ก็เลยหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาเพราะใจของท่านมีอัปปนาสมาธิมาแล้วท่านได้เจริญฌานขั้นต่างๆได้แล้ว<ม><ม>พอท่านได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าจากสุตตรมยปัญญาท่านก็เอามาแปลงเป็นภาวนามยปัญญาเอามาฆ่า กิเที่ทําให้ท่านทุกข์กับความตายทันทีพอท่านดับความอยากไม่ตายได้ปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากความตายก็หายไปท่านหายกลัวตายท่านรู้แล้วว่าความตายไม่มีไม่มีผลอะไรกับจิตใจของท่านแล้วก่อนที่จะมาฟังธรรมนี้ความตายยังมีผลสะเทือนใจกับท่านมากแต่พอหลังจากได้ฟังธรรม ได้ดูแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีใครห้ามไม่มีใครหยุดมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่หยุดไม่มีความอยากหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปท่านก็นเลยหยุดความอยากยอมตายเพราะยอมไม่ยอมก็ต้องตาย แต่ยอมตายแล้วไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมตายเราจะทุกข์เอท่านมีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้พวกเราหยุดความอยากได้ไหมหยุดความอยากไม่ตายง่ายไหมถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเราจะหยุดได้เราจะไม่ทุกข์กับความตายต่อไปถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอัปปนาสมาธิเรายังหยุดความอยากไม่ได้ นี่คือเรียกว่าสมาธิที่จะสนับสนุนหรืออบรมปัญญาให้เป็นปัญญาที่มีพลังมีอนิสงส์ที่จะข่ากิเลสตัณหาได้พอปัญญานี้เป็นภาวนาเมตยปัญญาก็จะทำให้จิตหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจิตจะหลุดพ้นได้ต้องหลุดพ้นด้วยภาวนามตยปัญญา สมาธินี้ไม่สามารถทำกิจให้หลุดพ้นได้สมาธิเพียงแต่กดความอยากไว้แต่ไม่ได้ทำลายความอยากต้องเป็นปัญญาต้องเป็นภาวนามยปัญญาจพงจะสามารถทำลายความอยากถอนรากถอนโคนของความอยากได้รากโคนของความอยากคืออะไรก็คือความหลงความหลงคิดว่าการทำตามความอยาก จะได้มีความสุขแต่ความจริงแล้วการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ทุกข์จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็เลยหยุดความอยากไม่ทำตามความหนงความหนุงบอกว่าทาตามความอยากแล้วจะสุข แต่ปัญญากลับเห็นว่าทำแล้วมันจะทุกข์ทำแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็เลยหยุดความอยากก็เลยหายทุกข์ก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตติก็เกิดขึ้นตามมาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็จะมีประโยชน์มากมีประโยชน์ที่จะไปอบรมจิตอีกทีหนึง่ง จิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยท่ายเดียววิมุตติก็เกิดขึ้นมานี่คือการยินดีวิมุตติต้องยินดีผ่านศีลยินดีผ่านสมาธิยินดีผ่านปัญญาเพราะว่าวิมุตติไม่เกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากความอยาก ให้วิมุติเกิดวิมุติเกิดจากความยินดีในสีนยินดีในสีแปดขึ้นไปเมื่อเราก็พอมีสีแปดก็จะทำให้สามารถให้เกิดความยินดีในสมาธิได้ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้มีสมาธิแล้วก็จะทำให้ยินดีกับการมีปัญญาได้สร้างปัญญา ที่จะมาอบรมจิตเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้คือความหมายให้เรายินดีกับการรักษาศีลยินดีกับการเจริญสมาธิยินดีกับการเจริญปัญญายินดีกับวิมุตติและอินดีกับวิมุตติญาณัทัศนาพอจิตหลุดพ้นจากความทุกข์าณก็จะปรากฏขึ้นมา ความรู้ว่าเราไม่ทุกข์กับความตายแล้วก็จะเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นความตายจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนี่คือธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรายินดีกันถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย เราต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมายินดีกับธรรมสิบประการนี้คือ 1. ให้ยินดีกับความมักน้อย 2. ให้ยินดีกับความสันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้รับ 3. ให้ยินดีกับการเปรกวิเวยินดีกับสถานที่สงบสงัดวิเว ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นนสต่างๆสี่ให้ยินดีกับการไม่คุกคีกันไม่สนทนากันไม่สังคมกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันตามลำพังเพื่อจะได้บําเพ็ญความเพียรอย่างเต็มที่หาให้ยินดีกับการความภาคเพียรให้ยินดีกับการทําความเพียรหให้ยินดีกับศีล ยินดีกับสมาธิแต่ยินดีกับปัญญาแล้วก็จะได้ยินดีกับวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ยินดีกับวิมุตติญาณทัตสนาที่จะเป็นผลสุดท้ายที่เราจะได้รับคือญาณอย่างทราบว่าเราไม่มีความทุกข์กับอะไรแล้วเนี่ยนี่เรียกวิวมุตติญาณัศนะ เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเหมือนคนที่ติดคุกอยู่พอเอาจากคุก ม, มาก็จะรู้รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ติดคุกแล้วเราหลุดพ้นจากคุกตารางแล้วเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะผู้ที่บำเพ็ญทำทั้งทั้งเก้าประการนี้ก็จะไปสู่ผล คือข้อที่สิบคือจะได้ยานวิมุติยาณนะทัศนะจะได้รู้ว่าตอนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วทุกจะไม่มีกับเราเอีกต่อไปเพราะเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเองทุกย่อมไม่มีก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องมีความยินดีกับธรรม สิประการนี้ยินดีกับการปิยินดีกับความมากน้อยสันโดษการปีกวิเวกการไม่คุกคีการการทำความเพียรยินดีกับศีลสมาธิปัญญายินดีกับวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะนีะ่คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้น ที่จะทำให้ใจเรามีวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาได้ญาโยมมีวิมุตติญาณทัศนะกันหรือยังมีความเห็นความรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วหรือยังหรือว่ายังมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องลาบบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องยศเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องสรรเสริญนินทา เดียก็ทุกกับเริ่มรูปเสียงกลิ่นรสผุดถพ่มีแต่เรื่องทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีคำว่าวิมุตติเลยไม่มีคำว่าหลุดพ้นจากความทุกข์เลยไม่มีคำว่าวิมุตติญาณทัศนะเลยเพราะยังไม่ได้ยินดีในธรรมที่เราควรจะยินดีกันนั่นเองถ้ายังไปยินดีกับราบยศจรเสเิญยังยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะก็จะต้องมีแต่ ทุกขญยาณทัศน์มีแต่ยานที่เห็นว่าตอนนี้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่วิมุตติยาณทัศน์คือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างทราบว่าตอนนี้ใจไม่มีความทุกข์แล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับถ้าเราไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญไปยินดีกับรูปเสียงเก่งนนสิ่งที่เราจะได้รับก็คือทุก ทุกวิมุทุกเขาเรียกว่าทุกยาณทัศน์มีความอย่างทราบว่าตอนนี้ทุกเหลือเกินทุกกับเรื่องเงินทุกเรื่องลาบทุกกับเรื่องยศทุกกับเรื่องสรรเสริญทุกกับเรื่องลิมทาทุกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสไม่พอกินไม่พอใช้ มนคือเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากําลังสร้างกันขึ้นมากําลังเดินเข้าหากันด้วยความยินดีในราบยศเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าพวกเรามายินดีในธรรมเราก็จะเดินออกจากกองทุกข์กันถ้าเรามายินดีกับธรรมทั้งสิประการนี้สิ่งที่เราจะได้รับก็คือลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง คือรถของวิมุตติหนุนทนนั่นเองรถของวิมุตติญาณทัศนะว่าตั้งแต่บัด น, นี้ไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขนาดไหนใจของเรานี้จะเฉยได้จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่หวาดกลัวจะไม่ตื่นเต้นตกใจนี่หละ่ะคือรสแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวง ที่เกิดจากการมีความยินดีในธรรมที่เป็นการความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงเช่นเดียวกันจึงขอให้พวกเราหมันรักษาความยินดีในธรรมนี้กันไปตลอด mm. เพื่อที่เราจะได้พบกับรถแห่งธรรมที่จะที่ชนะรถทั้งปวงนี้ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมธนาให้พรอยาทาวาริวาหาปุราปาริปุริติสาคลังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหงังเกะเมวะสมิจโตสัพเพปุริตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามะนีโชติระโสยธาสะพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมะเตภาวตวันตราโยสุขีทิคายุโกภวาอภิวาตนาสีดิตสานิจังวุทาปจายิโน จตารโธรมาวะทานติอายุวันโสุขังปาลารูลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงตอนที่เราเลิกประชุมพอเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติ อย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะถ้าอยากจะถามขอถามในช่วงนี้มีไมโครโฟนให้ท่านพูดได้หรือถ้าไม่อยากจะพูดจะเขียนข้อความฝากมาให้เขาอ่านก็ได้วันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook เข้ามา330คนครับแ้วก็ u t u b e อยู่ที่70คนครับได้มีต่างชาติไหมวันนี้ ยังไม่มีครับอ่ายังไม่มีอ่ถ้ามีคำถา ม, ถามทางเฟซหรือทางยูทู e ก็ส่งเข้ามาได้เลยคำถามจากทางอินบ็อกซ์จากคุณเสาวรัคือหอนูเป็นคนใจร้อนมากหนูอยากจะฝึกตัวเองให้ใจเย็นดูลงหายใจแต่ใจก็ยังร้อนอยู่เวลาทาใครทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกใจหนูก็จะมีอารมณ์พึ้นเสียง พูดอ mm hmm. ีกหนูไม่อยากเป็นแบบนี้ค่ะหนูควรสุดตัวเองอย่างไรดีคะก็นอกจากการฝึกสติแล้วก็ให้ลดความอยากลงอย่าไปอยากอย่าไปชู้ชี้จุกจิกหัดยินดีตามมีตามเกิดมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนน้ำลมไฟฝนตกแดดออกนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะตกก็ปล่อยเขาตกแดดจะออกก็ปล่อยเขาออกไปใครจะทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ปล่อยเขาทำไปเราต้องมองเขาว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้หรือถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งก็มองร้อ ว, ว่าเราเป็นเหมือนคนรับใช้ของทุกทุกคนก็แล้วกันทุกทุกคนที่เราพบปะเจอกันนี้ให้มองเขาว่าเป็นเหมือนเจ้านายเรา เราเป็นเพียงแต่คนรับใช้มีแต่คอยรอรับคำสั่งแล้วเราก็จะสบายใจเพราะว่าเราไม่ต้องไปคอยสั่งของให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้เราเป็นลูกจ้างเป็นแจวเป็นคนรับใช้พระตถาจารย์บอกให้เราทาตัวเป็นปัตพีเป็นแผ่นดินที่พร้อมจะให้ใครเหยียบก็ได้ใครอยากจะทาย อุจฉะใส่แผ่นดินก็ได้ใครอยากจะขุดดินก็ได้ใครอยากจะทําอะไรกับดินดินไม่เดือดร้อนยินยินดีให้ทําเราต้องปรับทัศนะตัวเราใหม่อย่าไปถือว่าเราเก่งเราฉลาดเราดีเรารู้มากเราสูงถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราเกิดความอยากที่จะไปควบคุม บ, คบังคับคนแลอสิ่งต่างๆให้อยู่ภายใต้อํานาจของเรา พอเราไม่สามารถทําได้เราก็จะหงุดหงิดลำคาญใจจะทุกข์ใจขึ้นมายังให้ลดละอัตตาตัว ต, ว ต, วตวนนองพูดไง่ายๆอย่าถือว่าตนเองใหญ่อย่าถือว่าตนสําคัญอให้เทวว่าตนเป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วคําถามจากคุณแย้นยมนี่โยนั่งสมาธิวันละสองถึงสามชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาประมาณสองเดือน จนบางครั้งจิตรวมได้สงบมากจนไม่อยากออกจากสมาธิจากนั้นเกิดอาการปวดเขา่าเลยทำให้นั่งสมาธิไม่ได้อีกเลยพอสมาธิเสื่อมแล้วเกิดอาการซึมเศร้าหูกหงดมากเลยค่ะเป็นมาหนึ่งเดือนแล้วค่ะไม่หายอยากทราบว่าทำไมสมาธิสมาธิเสื่อมแล้วทำให้เกิดอาการซึมเศร้าคะเพราะอยากจะได้สมาธิไง ความอยากพอไม่ได้สิ่งที่เราอยากเราก็ซึมเศร้าเราก็เสียใจงั้นะเราต้องตัดความอยากนี่ไปสมาธิจะได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่ความอยากอยู่ที่ว่าเรานั่งหรือไม่นั่งเรามีสติหรือไม่มีสติงั้นะถ้าเราอยากจะได้สมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิเสมอไป นั่งถ้านั่งไม่ได้นอนก็ได้นอนทำสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีสติดีๆมันไม่หลับมันก็สามารถพระพุทธเจ้านอนสีห์สา ย, ยาเนี่ยนอนตะแคงขวาแล้วก็เข้าฌานเข้าสมาธิได้ถ้ามีสติแล้วไม่หลับถ้าสติไม่มีมันก็จะหลับฉะนั้นการแก้กความหงุดหงิก็คืออยากไปอยากได้สมาธิ เพราะอยากแล้วไม่ได้มันก็จะเสียใจมันจะซึมเศร้าก็้อยากได้ก็ให้มาเจริญพุทโธพุทโธใหม่เจริญสติใหม่อย่าไปอยากให้เจริญพุทโธเจริญสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้เหมือนเดิมคบถามจากทางย t u b e จากคุณปัทมาพรทำอย่างไรให้ใจเรานั้นเข้มแข็ง ไม่หวันไหวต่อสี่กระทบได้เจ้าคะราต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติใจเราก็จะมีอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่หวนไหวร่างกายเราก็รู้ว่าถ้ามีปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องตายเราก็ไม่ยึดไม่ติดมันปล่อยให้มันไม่เที่ยงไปปล่อยให้มันไม่ใช่เป็นของเราไปคำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณจำปัญงามอันมยน์คบกรมตามท่าคืออย่างไรหรือเจ้าคะเราไม่จะเป็นคนพูดมาถามเราทำไมไม่ถามคนพูดสิเกิ่อะไรวะ คำถามจากคุณคมนสีพระสงฆ์ที่ไม่มีความสันโดษเราควรทำบุญด้วยไหมเจ้าคะแตามใจอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำนะคำถามจากคุณนัทดาถือสีแปดสามารถทำงานทำหน้าที่ตามปกติทางโลกได้ไหมเจ้าคะทำไมไม่ได้นะเวลาทำงานก็ให้เราดูทีวีอป็ป่ะ เขาให้เราร้องเพลงหรือเปล่าเให้เรากินข้าวหรือเปล่าเขาให้เรากินเฉพาะเวลาพักเท่านั้นเองถือสินแปดนั่นก็ทํางานได้ไ mm hmm. ม่เหมีปัญหาเลย mm hmm. พอเย็นกลับบ้านเราก็เราก็ไม่ไปดูทีวีเราก็ไม่ไปนอนกับแฟนเราก็ไม่นั่งสมาธิไปเดินจงกรมแทน mm hmm. ทําได้ทำไมจะทำไม่ได้คำ mm hmm. ถามจากคุณจงศรีการที่เราไปกราบพระบรมโศพจะได้บุญในข้อใดคะ ก็แล้วแต่เราเราไปกราบแบบไหนถ้าไปกราบแบบคนตาบอดก็ไม่ได้บุญถ้าไปกราบแบบคนตาดีก็ได้บุญไปเจริญโมนาวุตสติเนี่ไปดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หนีความตายไปไม่พ้นนั่งกายก็ไม่ได้เป็นของใครเป็นของจับปลอือ เป็นของดินน้ำลงไฟไปถ้าไปกราบแบบนี้ไปกราบก็กราบแบบคนตาดีมันก็จะได้ได้ประโยชน์ต้องโอปนญญิโกต้องน้อมเอาศพนั้นมาเข้ามาสู่ที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็จะต้องเป็นศพเหมือนเหมือนกับศพที่เราเห็นเราจะได้ปลงเราจะได้ปล่อยวางร่างกายแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไป คำ ถ, ถามจากคุณนัทพิดาถ้าสมาธานศีลห้าแต่ถือศีลแปดได้ไหมคะก็ได้ยิ่งดีขอขอห้าแต่ทำแปดก็ดีเลยเหมือนกับทำงานขอเงินเดือนห้าพันแต่เขาจ่ายให้สองพันก็ยินดีไม่ไม่บน่นไม่ว่าอะไรอันนี้ก็เหมือนกันสมาทานห้าข้อแต่รักษาแปดก็ดีเลยคำถามจากคุณเมสตล์ บางครั้งถ้าเกิดความคิดฟุง้งใช้พุโทโธบริกรรมเพื่อลดละความคิดนี้ถูกต้องเป็นระงับอาสวะหรือไม่เจ้าคะเป็นการระงับสังขารความคิดปรุงแต่งแต่อาสวะความอยากความหลงนี้ยังไม่ได้ระงับจะระงับได้ต้องใช้ปัญญาคําถามจอมคุณเป็นสีเมื่อวานลูกนั่งสมาธิตามปกติ ก่อนจะครบชั่วโมงเกิดอาการตัวสั่นเล็กน้อยพอกําหนดรู้ก็หายวันนี้พอนั่งสมาธิอีพอช่วงท้ายๆเกิดอาการตัวสั่นกำหนดรู้แล้วก็หายรวมสี่ขั้นอยากทราบว่าควรจะทําอย่างไรถึงจะถูกต้องคะก็จะเป็นอีกค่ะก็อย่าอย่าเผลอสติสิที่มันเป็นเพราะสติหายไปนั่นเองปล่อยให้จิตมันแสดงอาการต่างๆ ถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ปรากฏเนี่ยพอเรากําหนดปนั๊บเนยการกําหนดก็เรียกว่าการตั้งสติแล้พอตั้งสติปั๊บอาการสั่นก็หายไปแสดงว่ามันสันส่นเพราะสติหายไปพอเรียกสติกลับมาอาการสั่นก็หายไปคำถามจากคุณอ้อชาญโลวิรูกนั่งสมาธิและภาวนาพุทโธไปได้สักพักมีความรู้สึกย็นวูบว่า เหมือนเราเปิดตู้เย็นแต่ลูกภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนจิตมันนิ่งอยู่จนรู้สึกว่ามีดวงแก้วดวงเล็กๆแต่แสงของลูกแก้วนั้นสว่างจ้ามากพุ่เข้ามาหาแต่ลูกก็เฉยๆจนลูกเกิดทุกขเวทนาทางกายลูกจะทำอย่างไรให้ผ่านตรงทุกขเวทนาได้ครบเราต้องภาวนาต่อไป บริกรรมพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นคาถามจากคุณคูนทองการการที่เราเมื่อมีโอกาสก็จ ะ, สะแสวงหาฟังธรรมะภาวนากับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกิเลสหรือความอยากหรือไม่คะอ๋อเป็นมัง่งเลยเป็นความอยากในธรรมความยินดีในธรรมนี้เป็นมั่ เป็นการที่จะทำให้เราได้ดับกิเลสทำให้เราได้มรรคผลนิพพานไม่เป็นกิเลสเป็นการดับกิเลสความอยากได้ธรรมะความอยากปฏิบัติธรรมความอยากทาบุญนี้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นการฆากิเลสคำถามจากคุณชวนถ้าเจ้าหน้าที่ทำอีกก่นแกล้งประชาชนทำให้ประชาชนเสียหายต่อมาร้องเรีนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายแบบนี้จะถือว่าต้องผูกเวรผูกกรรมกับเราไหมครับก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ว่าเขาจะโกรธเกลียดเราหรือเปล่าถ้าเขาโกรธเกลียดเราเขาก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราก็ได้คำถามจากคุณดาเล่การไม่คลุกครีบุคคลอื่นๆ มีผลกับการปฏิบัติสมาธิให้ดีมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะก็ใจจะได้ไม่คิดกันไม่ฟุง้งเวลาเราพบปะ ก, กันเราก็อดที่จะคุยกันไม่ได้คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวมันก็ฟุง้งดีไม่ดีเดี๋ยวทะเลาะกันก็ยิ่งเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาดังนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าจับกลุ่มคุยกันเสียเวลานินทากาัเลยเหมือนเทน้าไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าจะกบจับกลุ่มก็ต้องฟังธรรมอย่างเดียวหรือสนทนาธรรมแต่ถ้าเราไม่มีธรรมอย่าไปสนทนาเลยเดี๋ยวมันกลายเป็นกิเลสไปสวัีค่ำาหมดค่ะหลวงพ่ออือดีนั่งพักเดียวปล่อยให้อ่าทามอ่าส่งไม้ไปให้ทางนี้หน่อยได้อตไม่ต้องปิดอ่ะไม้เดี๋ยวปล่อยไม่เป็นอกีกพูดใกล้ๆปากหน่อยครับอาจารยขออนุญาตนะคะ มีคำถามคือสี่ข้อคือฟังที่ออฟสิศแล้วก็รวบรวมมาค่ะหนึ่งก็คือเรื่องฉันะจะสร้างด้วยความเชื่อตามสัมพันที่ท่านเคยพูดว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีนะคะจะมีตัวบ่ายไหนนะคะที่จะให้กเกิดฉันทะมากขึ้นนะะก็ต้องปฏิบัตินะต้องริมรถของผลที่เกิดจากการปฏิบัติพอได้ผลแล้วมันก็จะติดใจ เหมือนสมัยนี้เวลาเขาจะขายสินค้าใหม่เนี่ย เ, เอามาแจากก่อนใช่ไหมให้เราลองดูก่อนลองครีมทาหน้านี้ทาแล้วจะสวยขึ้นดีขึ้นพอเราลองทาปุ๊บเอ๊ดีขึ้นสวยขึ้นทีนี้ก็สั่งซื้อเลยต้องต้องเอามาทดลองเอามาสัมผัสตอนต้นก็เชื่ออาศัยศรัทธาว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนี้เป็นความจริงแต่มันยังไม่สามารถทําให้เกิดฉันทาแบบเต็มร้อยได้ เราก็ต้องเอามาปฏิบัติเอามาทำให้เกิดขึ้นมาเป็นการชิมรสของธรรมพอเราได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วรับรองได้ว่าเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปบวชได้ข้อสองก็คือเรื่องร่างถ้าเกิดร่างการของเราเนี่ยโยมเติดเรื่องความสยุยความงามะแต่ว่าก็ พยายามจะมองร่างกายอื่นเป็นอสุรค้าอะไรนี่หาซ่องนี่คือการหลอกตัวเองไหมคะเพราะร่างกายตัวเองตัดไม่ได้เลยก็เราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าตอนนี้มันสวยแต่เราก็ต้องรู้ว่าต่อไปมันจะไม่สวยมันต้องแก่ลงหรือว่าถ้าอยากจะดูส่วนที่ไม่สวยนั้นก็มีอยู่เพียนีตยเราไม่มองหรือมองไม่เห็นเราไม่มองเข้าไปที่ใต้ผิวหนังั้าใต้ผิวหนังมีอะไรบ้าง มีกระโหลกศีรษะมีโครงกระดูกมีตับมีไตมีปอดมีหัวใจมีลำไส้ของพวกนี้มันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันถูกคุ้มห่อด้วยหนังเลยทำให้เรามองไม่เห็นกันท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่ได้หลอกตัวเองมันเป็นของจริงก็ลองไปสแกนดูก็ได้ไปซีท c a แกนแล้วกใครก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูติดไว้ที่หน้าห้องน้ำในห้องน้าก็ได้ เวลาเขาองน้ำก็ดูใน อ, อ่อข้างนอกเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นอย่างนี้เียหรือไปดูภาพของการชันสูตรศพก็ได้เขาผ่าศพศพของไทยก็เหมือนกันทั้งนั้นร่างกายของไทยเหมือนกันหมดพอผ่าออกมาข้างในก็มีเหมือนกันทุกอย่างมีหัวใจมีตับมีไ ต, ม, ตมีปอดมีลำไส้มีโครงศีรษะมีกระดูกกระโหลกศีรษะ ดูบ่อยๆแล้วมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันสวยครึ่งเดียวอีกสวยมันไม่ได้สวยเป็นร0อยเปอร์เซนตเราเห็นครึ่งเดียวแล้วก็ไปหลงกับส่วนที่สวยลืมส่วนที่ไม่สวยไปแล้วต่อไปมันก็จะต้องไม่สวยลงไปเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นดูคนที่เขาชราดูมีใครก็เอาไปถ่ายภาพนงหน้าปลวกแพ้วั้างปะ ข้อสามก็คือความอยากให้เกิดให้ให้ให้ปมทุกข์เป็นตัวส่งทําให้ทําสติสมาธิให้เข้มแข็งขึ้นแต่ความทุกข์ที่มันเกิดมันก็มันก็อยู่ตามกฎแห่งกาลวันนี่ยมันก็จะต้องหายไปมันจะมีทุกข์ตัวอื่นถ้าทุกข์ตัวนี้ที่มันแรงมากมันมันหดหายไปคือยมกลัวว่านะโคสเนี่ยการความขยันในการทําสติเนี่ยจะน้อยลงจะให้ จะให้ความทุกข์ที่มันส่งให้ตัวทานสติเนี่ยมันมันไม่น้อยลงอะ่ะถ้าทำไปมันยิ่งมากขึ้นอะยิ่งปฏิบัติทำก็ยิ่งจะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมันไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาทํานี้จะมีแตจ่จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นไปตามการปฏิบัติของเรามไม่ต้องกังวลยิ่งปฏิบัติยิ่งทายิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งมากขึ้น หลวงพเ่เทศว่าเรื่องมือสมัครเล่นนะคะที่ยังต้องทํางานเนี่ยก็คือมายถึงแค่สองที่มาปฏิบัติสําหรับมือสมัครเล่นที่ต้องทํางานจันทร์ถึงศุกร์อะคะ่ะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ฝึกสติตลอดเวลาเท่าที่มีเวลาได้เสร็จแล้วก็คือเวลาพักเนี่ยเอาคุณทีมาทำสมาธิอันนี้คือดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วพยายามหาทางลดการทํางานให้น้อยลงไปเพื่อจะได้มีเวลามาปฏิบัติมากขึ้นการที่เราทํางานมากเพราะเรายังต้องการเงินมาก การที่เราต้องการเงินมากเพราะเราใช้เงินมากงั้เรามาตัดรายจ่ายอย่าไปซื้อของที่ไม่จำเป็นนักน้อยซื้อของที่จำเป็นแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นที่เราต้องมีของอย่างอื่นก็ตัดมันไปเมื่อเราไม่มีการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งสิ่งที่ไม่จำเป็นการที่จะต้องใช้เงินก็จะลดน้อยลงไปก็จะทำให้เราไม่ต้องทางานแบบเต็มที่ อาจจะทำเพียงพักธรรมก็ได้จะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นมาปฏิบัติแล้วถ้าเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเราก็จะพร้อมที่จะลาออกจากงานได้ทันทีเพราะเราจะรู้ว่าเราอยู่ได้โดยไม่ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้เงินเฉพาะเพียงแต่สนับสนุนการเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองอว่าไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาะม เดี๋ยวนี้ที่ฉันเห็นมีสำนักบางสำนักสอนให้คนนั่งสมาธิแต่ไม่ถือศีลแปดแถมยังเก็บเงินคนไปนั่งภาวนาคอร์สหนึ่งราคาสูงนลีงและสถานที่นั่งภาวนาก็หรูหรามากที่ฉันเห็นอย่างนี้แล้วเขาเหล่านั้นจะได้บุญหรือไม่และได้แบบใดคะในศาสนา อ, อ๋อเขาก็จะนั่งแป็นแค่ชื่วชั่วโมงสองชั่วโมงท่งนั้นเอง เขาก็จะไม่ได้ผลอะไรนอกจากได้ได้การนั่งไปนวยชั่วขณะนั้นแต่ผลที่จะได้รับจากการจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธินี่ไม่มีวันเขาก็เป็นเอาสมาธิมาเป็นสินค้ามาขายเพื่อคลายความเครียดของคนในยุคปัจจุบันที่เครียดจับการหาเงินกันมากจนไม่รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดนี้ เขาก็เลยเห็นช่องว่างเขาก็เลยเอาการนั่งสมาธิการทำโยคะนี่มาเป็นสินค้าเพื่อที่จะได้คลายความเครียดแล้วคนที่คิดว่าการที่จะมีของดีนี่ต้องเสียเงินเขาก็เลยเห็นว่าการเสียเงินนี่เป็นของดีถ้าให้มานั่งที่วัดอยู่ฟรีๆนี่เขาคิดว่าไม่ดีต้องไปนั่งตามโรงแรงมหรูๆ เรามีอาหาร อ, าอร่อยให้รับประทานระหว่างก่อนจะนั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสินค้าเรื่องของการตลาดแต่ผลจริงๆไม่มีอะไรคำถามจากคุณเม่เมธาการทําบุญทำทานจําเป็นต้องเลือกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ มันก็เหมือนดูเพชรเนี่ยถ้าเราดูเพชรไม่เป็นเราก็ต้องไปถามคนที่ดูเป็นว่าเขาดูอย่างไรเราจะไปซื้อเพชรถ้าเราดูเพชรไม่เป็นเราก็ไม่กล้าไปซื้อเองเราก็ต้องไปถามคนที่ดูเพชรเป็นหรือไปซื้อที่ร้านที่เขารับรองรับประกันว่าเพชรที่เขาขายนี้เป็นเพชรแท้พาคก็เหมือนกันพาะก็เป็นเหมือนเพชร ถ้าเราอยากจะได้พบพระแท้บางทีเราก็ต้องไปวัดที่มีการรับรองมีการรับรู้จากสาธารนณะชนว่าวัดนี้เป็นวัดดีวัดมีครูบาอาจารย์ที่เป็นแพทยแท้เพทยน้ําหนึ่งเช่นวัดครูบาอาจารย์ต่างๆ ท, ท, ที่ญาติโยมรู้จักวัดหลงปู่หลวงตาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องไปทําบุญกับวัดเหล่านั้นแล้วก็ไปศึกษา รูว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติกันอย่างไรเช่นตอนนี้ก็มีหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเนี่ยประวัติศึกษาประวัติพระอาจารย์มั่นเราก็จะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเราต้องใช้เวลาศึกษาเหมือนกับการศึกษาเพศเเราอยากจะรู้ว่าพระดีอย่างไงก็ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัติของพระอาลหลันตัสสาวกต่างๆแล้วเราก็จะได้ได้รู้ว่ า, าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรคำถามจากคุณเมฆผมภาวนาด้วยตนเองที่บ้านฟังครูบาอาจารย์จากยูถูบแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก่อนหน้าไม่เข้าใจว่าคณิกัสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิ เป็นลักษณะเป็นอย่างไรแต่ผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆไม่หยุดจนที่สุดแล้วพอเข้าใจบ้างครับแล้วต่อมาก็เริ่มพิจารณาเดินปัญญาดูกายดูผมขนบ้างบางครั้งทำมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้เห็นแสงแล้วก็ตามแสงไปเรื่อยๆก็ดีครับลดอาการเจ็บปวดได้ไม่นึกถึงการเจ็บของกายแต่ก็เห็นอยู่ตลอดปัญหาคือว่า ปัจจุบันผมนั่งภาวนาตอนนี้บางครั้งเริ่มภาวนาพุทโธหรือไม่ภาวนาแต่ดูกายแทนก็นั่งก็นี่เป็นสมาธิแต่ว่าไปติดอยู่ที่แสงน่าจะเป็นแสงอุกหะนินิตและการเกรงของมือที่หน้าเบ้าตาผมพยายามจะภาวนาพุทโธเพื่อแก้ไขแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น และนับจากที่ผมพิจารณาเดินปัญญามาเรื่อยๆก็เริ่มแยกไม่ออกว่าผมยังมีสมาธิขั้นอ ป, ปนาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ายิ่งภาวนายิ่งเกรงขึ้นเรื่อยๆเริ่มสงสัยการปฏิบัติเวลาปวดเบ้าตาก็ไม่เคยหยุดภาวนาใจสู้ครับก็ภาวนาไม่ถูกไงเวลาภาวนานี้ไม่ให้ไปสนใจกับอาการต่างๆ ให้อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วถ้าจิตสงบนิ่งอาการต่างๆก็จะหายไปหมดถ้ายังไม่หายก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบนิ่งเท่านั้นเองเหนั้นปัญหาอยู่ที่เราเไม่ภาวานาไม่อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวพอมีอะไรมาเกิดก็ไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้จิตก็เลยไม่ได้ภาวานาจิตก็เลยไม่มีกําลัง จิตก็เลยไม่เข้าเข้าสู่อัปปนาสมาธิแต่อยากจะให้เข้าต้องอยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆช่างหัวมันช่างแม่มหรือว่าเนีไม่ใช่มันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันใจของเราขอให้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราขายสัตว์โดยให้เขาไปเลี้ยงต่อ ไม่ได้เอาไปกินบาปหรือไม่ครับถ้ายังไม่ฆ่าก็ไม่บาปแต่ก็ยังไปกักขังเขาอยู่ควรจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระจะดีกว่าถ้าเราเป็นสัตว์แล้วเขาจับเราไปขังอยู่ในกลงในเราจะรู้สึกยังไงคาถามจากคุณพีโกถ้าสวดโทษชังค้าปลิตแล้วส่งบุลหลังการสวดให้กับผู้เจ็บป่วยที่น้ำถือ สามารถช่วยผ่รหนักเป็นเบาได้ไหมครับไม่ได้หรอกได้ก็ไม่ต้องไปน้องพยาบาลไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะนั่งสวดกันไปแต่ถ้าคนไข้สวดนี้พ่หนักเป็นเบาได้พอเวลาสวดแล้วใจสงบใจไม่ไปคิดถึงร่างกายอาการทุกทรมานใจก็จะ <c oughs> ก็จะหายไปคาถามจากคุณเอสุชาติการเจริญแม่ตาจิตเป็นอย่างไร การเจริญเมตตาจิตนี yeah, ้เป็นการศึกษาเป็นการทบทวนเป็นการเตือนใจเราให้รู้ว่าเราต้องมีความเมตตา่นเวลาเราสวดสัพเพสัตตนี้ยังไม่ได้เป็นการให้ความเมตตากับใครเป็นเพียงแต่เป็นการสอนใจเตือนใจเราว่าเราจะต้องไม่มีเวรมีกรรมกับใครอาเวลาโหนตุเอ เราจะต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจเวลาที่เราจะเจริญเมตตาหรือแผ่เมตตาให้ความเมตตาต้องให้เวลาที่มีคนรับเช่นเวลาเราพบปะกันเราก็ยิ้มกันชักทายกันสามสาวรทุกข์สุขดิบนี้ก็เรียกว่าให้ความเมตตาต่อกัน ถ้ามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแจากกันเอ้ยวันนี้วันเกิดเว่ยเอาไปคนละณฑ์สองพันอีอย่างนงี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าดังนั้นการแผ่เมตตาต้องมีเหตุการมีบุคคลมีการสูญเสียถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาแบบไม่เสียเงินนี่ไม่แผ่หรอก นั่งแล้วก็ขอให้เธอมีแต่ความสุขความเจริญนี่ใครใครก็พูดได้วันเกิดก็ไปอวยลองไปอวยพรปากเปล่าดูสิไม่เอาขนมไม่เอาของไปฝากเขาไม่รับหรอกแค่อวยพรปากเปล่าเขาต้องการของของขวัญที่เราไปให้เขาใช่ไหมเวลาวันเกิดเราเราก็รอของขวัญจากคนอื่นไม่ใช่รอคําอวยพรอย่างเดียวขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะ แต่ไม่มีของติดมือมาเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาแบบลมลมปากไม่ได้ไม่ได้เมตตาด้วยด้วยด้วยพลังของความเมตตาพลังของเมตตามันต้องมีประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับผู้รับนมีข้าวมีของมาให้มีเงนินมีทองมาให้ใชอนี้เรียกว่าแผ่เมตตาด้วยเวลา เขาทำอะไรให้เราโกรธล้วก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษไม่ไปแจ้งความแบาบงทีใครขโมยของเราก็เลยไปแจ้งความีถ้าเราเมตตาจริงๆเราก็ยกให้มันไปเนว่าแผ่เมตตาคำถามจากคุณดาเลสการสนทนาในเรื่องหน้าที่การงานในทางโลกเราใช้พื้นฐานของธรรมะในการแสดงความคิดเห็น เป็นแนวทางให้งานมีทิ่ทางที่ดีและมีเมตตาในการแก้ปัญหาไม่สร้างความขัดแย้งด้วยกิเลส ข, ของผู้เข้าประชุมถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมติในที่ประชุมให้เกิดความขัดแย้งได้เราจะวางใจแบบไหนเจ้าคะก็ยินดีตามมีตามเกิดเมื่อมีมติออกมาเสียงส่วนมากเขาออกมาย่างนัก็ต้องว่าไปตามกฎตามกติกาเหมือนกับเล่นกีฬา เร่อกีฬาก็มีกฎมีกติกาแพ้ชนะก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาไปแค่นั้นเองคาถามจากคุณปลายฟ้าเวลายโยมอยากไปปฏิบัติธรรมโยมชอบไปวัดที่อยู่ในป่าวิเวกและคนไม่น้อยบางคนที่เห็นโยมเรื่องมากในการเลือกวัดก็จะไม่เข้าใจมองว่าการปฏิบัติไปวัดไหนก็ได้ทั้งนั้น แต่นี้โยมเป็นคนมีกิเลสเยอะหรือเปล่าคะถึงยังเรื่องมากกับเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรม อ, อ๋อไม่แล้วการเลือกสถานที่เพื่อฆ่ากิเลสมันเป็นมันไม่เป็นกิเลสแล้วมันเป็นการเป็นินการฆ่ากิเลสถ้าไปสถานที่ที่ไม่ดีไปแล้วกิเลสไม่ตายก็อย่าไปดีกว่าให้เสียเวลาให้หาสถานที่ที่ไปแล้วกิเลสนอนลาบไปหมดเลยเ อ, อ, อย่างนั้นจะดีกว่าคำถามจากคุณพีโก เราทำบุญทำบาป ก, ก็ยังตายเกิดถ้าไม่ต้องการตายเกิดอีกแล้วต้องเริ่มจากไม่มีความอยากแ้วต้องทำอะไรเพิ่มอีกครับก็ไม่เพิ่มนู่นแหละถ้าไม่มีความอยากกระจกเท่นั้นเนี่ยคำถามจากคุณนัทวัตรผมอยาก ถ้านั่นสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีวิญญาณอื่นมาก่อตวนเราจะลืมตามองหรือหลักตาบริกรรมพิบพุโทโธโดยที่ไม่สนใจครับหรือพูดคุยกับสิ่งนั้นเพื่อสอนให้เขาไปเกิดในที่ดีครับออถ้าเราทำสมาธิก็อย่าไปสนใจเป้าหมายของเราเราต้องการสมาธิความสงบ ตอนนี้เราไม่ต้องการที่จะมีปฏิสันฐานไม่มีอะไรกับใครใครมาก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้กำลังพรณนานั่งสมาธิอยู่ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปคำถามจากคุณแสงธรรมถ้าไปรักษาศีลกับพระที่ท่านไม่ปฏิบัติเคร่งครัดจะได้บุญไหมเจ้าคะ ได้ก็ศีลมันไม่ได้อยู่ที่พระศีลมันอยู่ที่เราถ้าเราเข้งคัดเรามีศีพลพระที่เขาไม่แข้งคัดไม่มีศีลเขาก็ไม่ได้บุญส่วนของเขาเขาก็ไม่ได้บุญแต่ส่วนของเราเราก็ได้บุญเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ถ้าเขาไม่แข้งคัดเราแข้งคัดเดี๋ยวมันก็เกิดการมีความเลื่อมล้ำต่ำสูงมันก็อาจจะมีความไม่ มีความสัมพันธ์ทําไม่ดีที่ไม่ไม่ดีต่อกันก็ได้คําถามจากคุณบีนันลีผู้ที่เจริญอิทธิบาทสี่เพื่อต่ออายุไขนั้นสามารถทําได้เฉพาะพระอระหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วใช่หรือไม่คะใครก็ได้ถ้ามีอิทธิบาทสี่คืออิทธิบาทสี่นี้มันจะทําให้ใจเราสงบใจเราไม่เครียดเมื่อใจเราไม่เครียด ความเครียดก็ยังไม่มาทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนื้อตายก่อนวัยอันควรคนเราที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะบางทีเป็นเพราะความเครียดความเศร้าโศกเสียใจบางคนสูญเสียคนรักไปโดยเองนี่ยังสบายอยู่พอสูญเสียคนรักไปนี่เครียดซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไปไม่กี่วันก็ตายตามคนที่รักไปก็มี เพราะจิตใจมันไม่มีกำลังใจที่จะอยู่อีกต่อไปการเจริญอิทธิบาทสี่ก็เพื่อสร้างกำลังใจให้ให้อยู่กับร่างกายต่อไปถ้าร่างกายยังอยู่ได้ใจก็จะประคับประคองมันไปเพราะใจมีกำลังมีอทีิบาทสี่แต่ถ้าร่างกายมีกำลังจะอยู่แต่ใจไม่มีกำลังที่จะประคับประคองไปเลี้ยงมันมันก็อยู่ไม่ได้เพราะใจ น, นี้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้เลี้ยงดู พามันกินพามันดื่มพามันนอนพามันออกกำลังกายพามันไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าใจไม่มีกำลังใจจะอยู่มันก็จะไม่ทำภารกิจเหนี้มันก็จะอยู่แบบสั่งกัตายก็ อ, อยู่สั่งกับตายเดี๋ยวเดียวก็ตายงั้นใครก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอานนท์เท่านั้น ใครที่มีที่บาทสี่นี้ก็สามารถที่จะประคับประคองร่างกายให้มันอยู่ไปตามอายุไขของมันคือไปยืดอายุไขของร่างกายไม่ได้เพียงแต่ว่ามันสามารถที่จะประคับประคองให้ร่างกายมันอยู่ไปตามอายุไขของมันแต่ถ้าไม่มีที่บาทสี่ถ้าเกิดมีความเสียอกเสียใจมันจะไม่มีกาลังใจที่จะมาคอยดูแลประคับประคองร่างกายมันก็จะปล่อยให อยู่ไปตามบุญตามกรรมกินก็ได้ไม่กินก็ได้นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายเร็วขึ้นทั น, นเองคำถามจากคุณเพนจันจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ต้องดูเลิกดูเวลาหรือไม่เจ้าคะ ก็ต้องดูว่ามันพร้อมจะให้อยู่หรือเปล่าถ้าช่างยังทำงานอยู่มันก็เข้าไปอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องไปดูดวงดาวว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผล ให้ดูว่าบ้านพร้อมหรือยังแอร์ไฟฟ้ามีหรือยังน้ำเข้าหรือยังถ้าทุกอย่างพร้อมเข้าไปอยู่ได้ก็เข้าไปเลยไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดไม่ต้องให้พระมาเจิมไม่ต้องให้พระมารดน้ำมนต์ไม่ต้องไปถามหมอดูว่าเวลาเท่าไหร่ควรจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่เกี่ยวกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องมงมงายทั้งนั้นใช้ใช้หลักเหตุผลตร ก, กะ บ้านที่เราอยู่พร้อมหรือยังพร้อมที่จะบริการให้อำนวยความสุขความสะดวกกับเราหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็อยา่าเพิ่งไปอยู่ถ้าเข้าไปช่างยังทําต่อกระปูต้งๆ อ, อยู่ห้องน้ําน้ําก็ยังไม่ไหลเดี๋ยวไปถ่ายมันก็ไม่มีน้ําชำระอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็อยา่าเพิ่งเข้าไปเราให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนเนี่คำถามจากผู้ไม่ปสงคออกนามบางคนคิดว่าเขาไปงานศพ เพราะกลัวว่าคนที่ที่ตายจะมาที่งานศพถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวคนตายจะเสียใจทุกอย่างนี้ถูกไหมคะเขาจะมาที่งานศพได้ไหมคะโอถ้าเขาอยามาก็มาที่บ้านเราเลยก็ได้ทําไมก็ต้องมาที่งานศพถ้าเขาคิดถึงเราเขาก็มาหาเราที่บ้านเลยก็ได้อย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านมาหาแม่ชีอยู่ ก, กําเภอหนึ่งแม่ชีเป็นลูกศิษย์ เอกของหลวงปู่มั่นแม่ชีแก้วหลวงปู่มั่นสอนตั้งแต่ตอนเป็นสาวสอนให้นั่งสมาธิครั้งแรกแม่ชีแก้วนั่งก็ได้นิมิตเลยได้จิตรวมแต่หลวงเติร์แต่เป็นอุปจาระสมาธิท่านก็เลยสอนว่าอย่าเพิ่งทําเวลาท่านไม่อยู่อย่าเพิ่งปฏิบัติไว้รอให้ท่านอยู่ก่อนแล้วค่อยมาเรียนท่านก็สั่งสอนวิธีปฏิบัติจนแม่ชีนี่บรรลุเป็นพระอราหันได้ แล้วก็มีอภินยาสา ม, มารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้เกินที่หลวงปู่มั่นเสียนี่หลวงปู่มั่นท่านก็มาหาแม่ชีในสมาธิเลยบอกแม่ชีเราตายแล้วนะเธอไม่ต้องไปหาเรานะพ่ะแม่ชีเตรียมตัวจะไปเยี่ยมในวันนุ่งขึ้นท่านก็บอกว่าเราตายแล้วไม่ต้องไปคนในบู่บ้านนั้นยังไม่มีรู้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นได้ตายไปแล้วแต่แม่ชีแกรู้ละตอนเช้าตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้ พวกเพื่อนแม่ชีอยู่ได้กัางานทำไมร้องไห้บอกหลวงปู่ท่านไปแล้วทำนาสังขารไปแล้วแล้วสายสายก็มีคนส่งข่าวมาจา ก, จากที่อำเภอบอกว่านี่หลวงปู่มันเสียแล้วนะถ้าก็จะมาหาเราคุณอยู่ที่ไหนเาก็ไปหาคุณได้หนอ ออแล้วเขาทำอะไรคุณไม่ได้ลส่วนใหญ่เข้ามาก็เพื่อมาพบปะมาคุยกันมาอะไรกันบางทีเขายังคิดถึงเราห่วงใ ย, ยเราอยู่เรืออะไรหรือก็าอาจจะมาบอกสมบัติที่เขาเก็บไว้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ไปกลัวเขาทาไมคำถามจะคุณนปัปพาสตั้งแต่ดิฉันได้ฟังธรรมของพระอาจารย์หลังจากนั่งสมาธิเดินจงกรมเสรดิฉันไม่ได้กล่าวคำแผ่เมตตาใดๆเลย พอเดินจงกรมเสร็จก็กราบพระสามครั้งแล้วเข้าห้องนอนเลยอย่างนี้จะได้ไหมคะหรือต้องกล่าวํำแผ่เมตตาตกท้ายก่อนเจ้าพ่อถ <c oughs> ้ามันยังค้งใจอยู่อยากจะแผ่ก็แผ่ได้แต่มันไม่มีผลอะไรเพราะไม่มีใครรับการแผ่ของเราเราก็ไม่มีอะไรให้เขามันแผลแบบหลอกหลอกอ เป็นเรื่องจิตตวิทยาบางทีเคยทำอะไรแล้วพอไม่ได้ทำแล้วรูเสกว่ามันไม่ครบสูตรก็อยากจะแพ่ก็แผ่ไปแต่การแผ้จริงๆมันต้องมีคนมารับการเมตตาของเราแล้วเมตตาของเราก็ต้องมีน้ำหนักไม่ใช่เป็นแค่คำคิดคำพูดเท่านั้นเองคาะาำถา ม, ถามคุณนิทยามีบุตรที่พิการเวลาเราจะทำบุญแล้วให้บุตรที่พิการ อนุโมทนากับของที่เราจะนำไปทำบุญแล้วเขาจะได้รับบุญไหมคะถ้าเป็นของของเขาแล้วเป็นเจตนาของเขาขเขาก็ได้ถ้าไม่เป็นของเขาไม่เป็นเจตนาของเขาขเขาไม่ได้หรอกคาถามจากคุณจงสิีทำหนังสือท ร, รมะข า, ายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นกิเลสหรือบุญคะมันก็เป็นกิเลสเพราะว่าเรา หาเงินเพื่อเข้ากระเป๋าเราแต่ถ้าเราทําหนังสือธรรมะแล้วแจกเป็นธรรมทานมันก็เป็นบุญพรเราให้ของแก่ผู้อื่นให้ธรรมะแก่ผู้อื่นแต่การทําบุญการทำหนังสือธรรมะแล้วขายนี้มันก็ไม่ได้เป็นบาปมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเช่นโรงพิมพ์เขาก็พิมพ์หนังสือธรรมะกันเขาก็ต้องเก็บค่าพิมพ์ค่าอะไรต่างๆเขาไม่ได้บุญแต่เขาก็ไม่ได้บาป เป็นการทำมาหากินคือการกระทำของเขาไม่ได้ไปทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ได้เป็นทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญค่ะคุณเบียดอทคอกระท้อไข่ไก่ดิบเป็นปนาณาติบาตไหมครับก็ขไข่มันมีสองแบบไงไข่ที่มีตัวกับไข่ที่ไม่มีตัว ถ้าไข่ที่ไม่มีตัวมันก็ไม่บาปเพราะแต่ไข่ที่มีตัวก็บาปเพราะตัวนั้นมันก็ตายมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนทำแท้งอย่างนี้ทำแท้งมันมีตัวมีเด็กอยู่ในท้องเราไปเอาเด็กออกอนี่ทำมันก็บาปเพราะเป็นการทำลายชีวิตคาถามจากคุณพิทค่ะพิดิศคาวาน ลูกจะไปบวชชีแต่ลูกได้สัตว์คิ้วถาวรไว้นานหลายปีถ้าลูกจะบวชชีต้องไปโลกคิ้วถาวรก่อนไหมคะอ๋อไม่ต้องหรอกปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเป็น เ, เราอย่าไปวุ่นวายกับมันก็แล้วกันแล้วก็ถ้าทางที่เราไปเขาไม่มีกฎมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องของอดีต เ, เราไม่มีเจตนาอะไรกับมันค่ะคุณแย้มมี่ ทำไมทำทานทำความดีทำความกตัญญูบางครั้งไม่ได้นำความสุขใจมาให้แต่กลับมีความอึดอัดความทุกข์ภายในใจแทนคะเพราะมันมีกำลังต่อต้านอยู่กิลเลสมันยังไม่ยอมให้ทำมันก็เลยรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะกิลเลสได้ความอึดอัดนั้นก็จะหายไปความปิติความปลื้ม อกปื้มใจก็จะเกิดขึ้นวิธีที่จะเอาชนะกิเลส ก, ก็ต้องมองว่าคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยเราทดแทนบุญคุณให้กับเขานี่มันมันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งถ้าเราทำประโยชน์ให้กับใครเป็นมีบุญมีคุณกับใครแล้วเวลาเขาทดแทนบุญคุณให้กับเราเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดบุมกลับแล้วมันจะทำให้เราอยากจะทำความดีขึ้นมา คำถามจากทางย t ท b e จากคุณลาวันดิฉันทานอาหารเป็นยาเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานจะเรียกว่ารักษาสีเจ็ดหรือสีแปดครับเราสีเจ็ดดีกว่าไม่เป็นไรเพราะท่านยังกินเป็นยาก็กินไปแต่จะเรียกว่าสีแปดมันก็ไม่เหมาะเพราะมันเป็นอาหารคำถามจากคุณทอนทานทำไมคนถึงนิยมทำบุญร้อยวันให้คนที่ตายไปแล้วครับ ทำแล้วคนตายจะได้รับหรือเปล่าครับคือเขาเชื่อว่าบางทีเวลาคนตายไปนี้เขายวงวิญญาณเขายังไม่ไปเขายังห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรอยู่เขาก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้านอยู่เขาก็เลยนิยมทําบุญให้กับคนตายเพราะคนตายไม่สามารถทําบุญด้วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยบุญของคนเป็นทําให้มันเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเองความจริงแล้วไม่มีใครรู้ว่ามีหรือไม่มี บางบางทีก็มีดวงวิญญาณบางดวงเขาห่วงของบางอย่างเขาก็ยังไม่ไปเช่นพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลห่วงจีวรเอนเขาก็เลยไม่ไปเขาก็มาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวร อ, อยู่พระพุทธเจ้าก็บอกพระว่าจีวรเพร น, นี้อย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเจ้าของเขายังรักยังห่วงอยู่ พอตัวเลนตายไปแล้วพุผูเจ้าก็บอก เ, อเจ้าของเขาไปแล้วทีนี้ควรเอาไปใช้ได้แนละ้วเพราะสมัยก่อนพระมีผ้าน้อย ผ, ผ, ผ้าขาดแขนเวลาพระองค์ไหนตายไปถ้าผ้าจีวรของท่านยังใช้ได้อยู่ก็จะแจกให้กับพระรูปที่เขาขาดแขนไปอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าบางทีดวงวิญญาณที่ตายไปนี้ยังไม่ได้ไปสู่พบ หมเพราะว่ามีความรักความผูกพันอยู่กับสิ่งที่ยังเคยผูกพันอยู่แต่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะมันจะรู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้พอพอรู้ว่าโป่งหมดกำลังที่จะอยู่ก็ความอยากจะอยู่กับสิ่งต่างๆก็หมดไปเขาก็จะไปเกิดต่อไปนั่นก็เลยมีเชื่อว่าก็ให้ทาบุญ ช่วงร้อยวันนี้ไปก่อนเผื่อดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปเกิดเพราะห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างน้อยก็จะได้มีบุญที่เราอุทิศให้เขาอยู่อย่างสบายไปก่อนชั่วออรคราวพอแนละ้วไหมคะพอละมันหมดเวลาพอดี้็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพพพพิจพิจารณาไปปฏิบ<ม>ัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน